วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาดูสถานภาพของตนเอง ว่าอยู่ในสถานภาพใดด้วยการเปรียบเทียบจากธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานภาพสถานภาพใดและควรที่จะมีการกระทำอะไรกันบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ ชีวิตของพวกเราการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เฉยๆนี่ จะเกิดประโยชน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยที่จะทำให้เกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าเกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะถ้ามีพระพุทธศาสนานก็จะมีโอกาส ที่จะได้รับคนได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ mm. ก็เปรียบเหมือนกับการได้ไปซื้อลอตเตอรี่มา mm. การซื้อลอตเตอรี่นี้ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลก็ได้ ไม่ถูกรางวัลก็ได้เช่นเดียวกับการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์จากการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้รับก็ได้แต่อย่างน้อยก็มีโอกาสถ้ถาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวนี้ โอกาสที่จะได้รับคุณได้รับประโยชน์นี้จะไม่เกิดเหมือนกับคนที่ซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่คนที่ซื้อลอตเตอรี่นี่มีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลต่างๆแต่คนที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่นี้ก็ถือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ถูกลอตเตอรี่เลยนี่คือเรื่องประโยชน์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เหมือนกับการได้ไปซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งใบทีนี้ลอตเตอรี่ที่เราซื้อมานี่จะถูกไม่ถูกก็อยู่ที่ว่าเราจะซื้อเลขที่มันตรงกับรางวัลที่เขาออกหรือไม่ถ้าเลขไม่ตรงกันมันก็ไม่ถูกลอตเตอรี่ฉะนใดการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เหมือนกันจะได้ถูกลอตเตอรี่ ได้เลขที่เราซื้อตรงกับรางวัลที่ออกก็คือได้มาพบกับพระพุทธศาสนานั่นเองถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเราได้ซื้อลอตเตอรี่และได้ถูกลอตเตอรี่แล้วและลอตเตอรี่ที่รางวัลที่เราถูกนี้ก็มีหลายรางวัลที่เราสามารถเลือกได้แต่สิ่งที่เราต้องทําต่อไป หลังจากที่เราได้ถูกลอตเตอรี่แล้วก็คือไปขึ้นรางวัลการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนกับการได้ซื้อลอตเตอรี่และได้ถูกรางวัลต่างๆซื้อเพียงใบเดียวแต่สามารถเลือกเอารางวัลต่างๆที่เราจะขึ้นได้จะขึ้นได้ท้ายสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ เลขท้ายนี่เลขหน้าสามตัวก็ได้จะขึ้นรางวัลที่หที่สที่สามที่สองที่หนึ่งก็ได้เราสามารถเลื่อนขึ้นรางวัลได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการขึ้นรางวัล น, นี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าเราซื้อวตตัตตอรลี่แล้วเราถูกวตตัตตอรลี่แต่บางทีเราไม่อยากจะไปขึ้นรางวัลเพราะเห็นว่ารางวัลที่เราได้อาจจะไม่คุ้มค่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางไปขึ้นเราก็อาจจะไม่ขึ้นรางวัลก็ได้สำหรับคนบางคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่สนใจที่จะไปศึกษา ก็ทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับคนที่ถูกรักตตรี่แต่ไม่ไปขึ้นรางวัลกันแต่สําหรับคนที่เมื่อถูกรักตตรี่แล้วไปขึ้นรางวัลเขาก็จะได้รับรางวัลต่างๆที่เขาปรารถนาที่เขาเลือกรับได้เวลาที่เรามาเกิด เป็นมนุษยไ์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้พระพุทธศาสนาที่มีรางวัลต่างๆให้เราเลือกกันมีหลายระดับสุดแท้แต่ความปรารถนาสุดแท้แต่ความสามารถของพวกเราที่จะปฏิบัติตามได้การขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนานี้ก็มีแบ่งไว้ถึงสามระดับด้วยกันระดับ ง่ายระดับแรกก็คือทานปฏิบัติทมบุญทำทานระดับที่สองก็คือการรักษาศีลระดับที่สามก็คือการภาวนารางวัลที่เราจะได้รับนี้จะมีคุณค่าราคาต่างกันไปตามลำดับถ้าทำทานนี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับการไปขึ้นเลขท้ายสองตัวสามตัวหรือเลขหน้าสาม สามตัวก็จะได้รางวัลแต่ไม่มากมเป็นระดับขั้นต่ำถ้าอยากจะได้รางวัลที่สูงมากกว่า น, นั้นก็ต้องเพิ่มการการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับผู้คลองเรือนระดับระดับผู้คองเรือน และระดับนักบวชระดับผู้กองเรือนก็ถือศีลห้าระดับนักบวชก็ถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองอยิบเจ็ดเป็นต้นแล้วก็ถ้าถือศีลระดับนักบวชได้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลที่สูงกว่านั้นได้รับรางวัลที่สูงสุด คือรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หนึ่งได้ด้วยการปฏิบัติขั้นที่สามคือการภาวนาการภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าสมถะภาวนาระดับที่สองก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาผลที่ได้รับก็จะเป็นผลที่มี รงางวัลที่มากขึ้นไปตามลำดับขั้นแรกขั้นต่ำสุดก็คือการทำทานขั้นสูงขึ้นมาก็ขั้นรักษาศีลขั้นสูงขึ้นมาอีกก็คือการภาวนาสามถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาถือว่าเป็นขั้นสูงสุดแต่ก็เป็นขั้นที่ยากที่สุดด้วย และจะขึ้นไปสึงขั้นนั้นได้ก็ต้องผ่านขั้นต่ําขึ้นไปก่อนจะกระโดดข้ามไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในขั้นทานเราก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นทานก่อนแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปที่ขั้นศีลอยากขั้นศีลแล้วก็ไต่ขึ้นไปขั้นภาวนาสมถะภาวนาแล้วเราก็ไต่ขึ้นไปขั้นวิปัสสนาก็เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเอ การขึ้นไปไดก็ต้องขึ้นไปเป็นขั้นขั้ น, นไม่ใช่จะกระโดดขึ้นไปได้ถ้ากระโดดขึ้นไปได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีกระไดไว้ให้เดินขึ้นไปนี่คือรางวัต่างๆที่ทางพระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราถ้าเราได้มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำสั่งคำสอนจากพระรัตนตรัยต้องได้ยินคำสั่งคำสอนจากพระรัตนตรัยถึงจะได้คำสั่งคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำที่จะให้เราได้รับรางวัลต่างๆกันถ้าไปศึกษาจากแหล่งที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ได้ ความรู้ที่ถูกต้องได้ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีชีวิตอยู่แล้วจากพวกเราไปก็มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นี้ที่ได้มีการจดจำและบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคำสั่งคำสอนแทน แทนการได้ฟังคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้แล้วนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเราต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปตอนนี้ยุคนี้เราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคสาสั่งคาสอน ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพวกเราชาวพุทธนี่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกอะไรนี่ก็ถือว่ายังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงทรงสั่งสอนอะไรบ้างควรจะศึกษาพระไตรปิฎกกันบ้างไม่จำเป็นจะต้องศึกษาทั้งหมด แต่ศึกษาพระสูตรสำคัญเพียงไม่กี่พระสูตรก็พอเพียงต่อต่อความรู้ที่จะนำพาเราไปสู่การรับรางวัลขั้นต่างๆแล้วนี่คือแหล่งของความรู้ที่ถูกต้องที่จะสอนให้เราได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนถ้าเราศึกษาพระสูตรสำคัญเช่น พระธรรมจากกับประวัตนสูตรอันนี้เป็นพระสูตรอันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนให้แก่พระปัญจวัคคีพอผู้ฟังฟังเสร็จก็ได้รับรางวัลทันทีเลยเพราะว่าท่านอยู่ในระดับสูงแล้วท่านได้ผ่านการทำทานผ่านการรักษาศีล ่านการนั่งสมาธิแล้วท่านอยู่ในขั้นวิปัสสนาแล้วในขั้นปัญญาแล้วพอฟังธรรมซึ่งเป็นปัญญาก็สามารถรับรางวัลอันสูงสุดได้เลยรับ<ม>ตามมาจากกับปวัตนสูตรอนัตตลักษณสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตร พสูตรเหล่านี้เป็นพสูตรที่สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พวกเราเชาวพุทธผู้ปรารถนาที่จะได้รับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐจากพระพุทธศาสนานี้ควรที่จะศึกษากันเอาไว้เพื่อเป็นมาตรฐานเวลาที่เราไปศึกษากับพระรูปอื่นคำสอนของครูบาอาจารย์รูปอื่นเราจะได้มีมาตรฐานวัดคาสอนของ พระอาจาร์เหล่านั้นว่าท่านสอนตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหรือไม่หรือท่านสอนไปในทางไหนเราจะได้รู้กันถ้าเราไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราจะไม่รู้ว่าคำสอนที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและพอเราไปเรียนจากผู้จากอาจารย์รูปแบบนี้น เราจะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกต้องหรือไม่ถูกมากกี่เปอร์เซนต์ไม่ถูกมากกี่เปอร์เซนต์เราจะไม่รู้แต่ถ้าเราได้ศึกษาพระสูตรต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ดีพระสูตรหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือมองคลรัศดรอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่จะจะทำให้เรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนอันนี่คือแหล่งของความรู้ที่เราจะต้องศึกษากันถ้าเราต้องการจะขึ้นรางวัลจากพระพุทธศาสนานอกจากพระธรรมคําสั่งคําสอนแล้วก็ยังมีอีกแหล่งหนึ่งคือเรามีพระรัตนตรเรามีพระพุทธพระธรรมแล้วเราก็ยังมีพระสงฆ์ แต่พระสง์นี้ต้องเป็นพระอริยสงฆ์ไม่ใช่เป็นพระปุถุชนสงฆ์พระปุถุชนสงฆ์กับพระอริยสงฆ์นี้ต่างกันต่างกันตรงไหนก็ต่างกันเหมือนกับคนตาดีกับคนตาบอดนั่นเองถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่ยังเป็นเหมือนคนตาบอดยังมองไม่เห็นวิธีการที่จะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาว่าจะรับได้อย่างไร ต้องศึกษาจากพระอริยสงฆ์พระผู้ที่ได้ไปรับรางวัลมาแล้วพระอริยสงฆ์นี้คือพระที่ได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาจากพระอรหะพระอริยบุคคลแล้วก็เอานําเอาไปปฏิบัติจนได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้เป็นพระโสดาบันพระเศรษฐาคามี พระ อ, อนาคามีพระอรหันต์พาาระ อ, อริยบุคคลเหล่า น, นี้แหละจะเป็นผู้ที่จะสอนธรรมะตามที่พระเจ้าทรงสอนในธรรมจักรกับประวัตินสูตรในอนันตลกณสูตรในอาทิตย์ยัสรูปในสติปัฏฐานสูตรหรือในมงคลสูตรคำสอนของท่านจะอยู่ในพระสูตรเหล่า น, นี้จะไม่ ออกนอกรูนอกทองไปสอนทางอื่นถ้าได้ศึกษากับพระอริยสงฆ์ก็จะอาจจะง่ายกว่าการได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะบางทีการอ่านหนังสือแล้วแปลความหมายจากหนังสือที่เราอ่านนี้อาจจะยังไม่ตรงยังไม่เข้าใจกับความหมายที่แท้จริง แต่ถ้าได้ศึกษาจากพระอริยสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านจะสามารถพูดให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆตามภาษาของเราไม่ใช่ตามภาษาของพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาที่แปลมาจากภาษาเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งการแปลนี้อาจจะแปลแล้วอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจก็ได้ ยังถ้ามีโอกาสได้ศึกษากับพระอริยสงฆ์ได้จะถือว่ายิ่งดีแต่ก็ต้องรู้ว่าท่านสอนตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่สอนตรงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็เชื่อได้ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นพระปุถุชนสงฆ์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องศึกษาเบื้องต้นก็คือศึกษาพระสูตรสาคัญสคัญต่างๆ ของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนไว้เป็นมาตรฐานที่จะมาที่จะวัดคําสั่งคําสอนของพระอริยสงฆ์ที่เราเข้าไปศึกษาด้วยถ้าเราเชื่อว่าพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านเป็นพระอริยสงฆ์แล้วเราไปศึกษากับท่านเราจะได้รู้ว่าท่านสอนตามแนวทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่อันนี่ก็คือแหล่งของความรู้ ในการที่เราจะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาเราต้องรู้วิธีขั้นตอนของการรับรางวัลของทางพระพุทธศาสนาว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้แล้วเราก็จะไม่สามารถไปขึ้นรางวัลได้นั่นอเองเบื้องต้นก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้อง จากพระราตนะไตรจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกแล้วหรือศึกษาจากพระอาลัยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันมีโสดาบันสกิราคามีอนาคามีและอาหารหันต ที่ต่างกันก็คือต่างกันที่ความรู้วิธีการขึ้นรางวัลพระสวดาบาล น, นี่ยังรู้ไม่ครบถ้วนรู้เพียงส่วนหนึ่งพระสกิรดาคามีก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งพระนาคามีก็รู้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งจนถึงพระอาหารหันต์ก็จะได้ความรู้ที่ครบเต็มร้อยถ้าได้มีโอกาสได้พบกับพระอาหารหันต์เลยก็ ก็จะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้พบกับพะระอรหันต์ถ้าเจอพระที่ลองลําดับลงมาก็ยังถือว่ายัางมีคุณมีประโยชน์อยู่ยังสามารถที่จะพาให้เราได้ไปถึงขัง้น ส, สูงสุดได้ตามลําดับต่อไปไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้เริ่มเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะเลื่อนลําดับขึ้นไปอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็วจะไม่ติดค้างอยู่ไปตลอดจะต้องมีการเคลื่อนขั้นไปตามกำลังของการปฏิบัติบางคนก็ขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วอาจจะบรรลุภายในขณะใกล้ใกล้ ก, ลกันเลยจากขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่บางคนก็ทิ้งเวลาว่างไว้หลายเดือนหลายปีก็มีขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ท่านแต่ละองค์ซึ่งอาจจะทำให้ไปได้ถึงช้าเร็วกว่ากันแต่ที่แน่นอนก็คือต้องไปถึงอย่างแน่นอนอย่างเช่นพระโสดาบันนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระปุตุชนิกต่อไปไม่เป็นปุตุชนไม่เป็นคนตาบอดเหมนคนตาดีแต่ตาดียังไม่ครบร้อยตาดีเพียงแต่เห็นหนึ่งในสี่ แต่ก็จะ ส, สามารถพัฒนาขึ้นไปให้สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเป็นโสดาบันนี้ท่านบอกว่าจะบรรลุทาขั้นสูงสุดอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าจะเกิดมีอุบัติเหตุบรรลุเป็นโสดาบันแล้วตายขึ้นมาทันทีก่อนโอกาสที่จะได้ปฏิบัติต่อก็ต้องหยุดชะ ง, งักไปชั่วคราวรอจกนกว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่ อันนี้ก็ไม่แน่ว่าถ้าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะไปเกิดถ้าไปเกิดเป็นเทพนี่จะไปสามารถปฏิบัติต่อในในระดับเทพได้หรือไม่อันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้นะไม่ทราบเพราะว่าการปฏิบัตินี้มันไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วสำหรับพระอริยบุคคลท่านใช้จิตของท่าน แต่อันี้ก็ไม่ต้องไปกังวลกันแล้วกันขอให้รู้ว่าไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าได้ขั้นที่สองก็จะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวถ้าเป็นพระขั้นที่สามนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สามารถบรรลุ ในขณะที่ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้ผ้านาคามีแล้วก็บรู้ถึงพาะนิพพานได้บรรลุเป็นพ้าอาหารได้นี่คือระดับของการบรรลุธรรมนึกของการรับรางวัลขั้นต่างๆจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติต า, ต, า ต, า ต, าตามคำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องมาศึกษากันว่า วิธีขึ้นรางวัลต่างๆนั้นจะต้องขึ้นอย่างไรขั้นต้นท่านก็บอกให้ขึ้นไปขึ้นรางวัลขั้นต่ำก่อนคือขั้นทานเพราะเป็นขั้นที่ง่ายไม่ยากเย็นทุกคนนี้สามารถทำบุญทำทานกันได้ <c oughs> ถ้ามีถ้ามีกําลังทรัพย์พอที่จะแบ่งปันได้ก็เอาไปทำบุญทำทานได้ทำบุญทำทานแล้วก็จะ ได้รับรางวัลคือได้รับสวรรค์ชั้นเทพเป็นรางวัลเวลาตายไปนี้จิตก็จะขึ้นไปสู่ระดับชั้นเทพได้ถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญนี้บาปก็จะดึงใจให้ไปสู่อบายก่อนจะไม่สามารถขึ้นไปรับรางวัลชั้นเทพได้ต้องรอให้บาปหมดกำลังหรือมีกำลังอ่อนกว่าบุญก่อน บุญถึงจะสามารถส่งจิตให้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพได้เรื่องที่มีคนสงสัยและเคยถามกันอยู่เรื่อยๆคือเรื่องจิตสุดท้ายบางคนคิดว่าเรานี้สามารถมาแต่งจิตสุดท้ายของเราให้เป็นเป็นบุญเป็นสวรรค์ขึ้นมาได้อันนี้แต่งไม่ได้อย่ามารอวาละสุดท้ายเวะลาที่ตายแล้วมา มาเปลี่ยนจิตจากจิตที่มีบาปมากกว่าบุญนี้จะมาเปลี่ยนให้จิตเป็นจิตที่มีบุญมากกว่าบาปนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันต้องเป็นสิ่งที่เราสะสมทำกันมาอย่างนั้นอย่ไปคิดแบบง่ายๆคิดว่าเราไม่ต้องทำบุญกันตอนนี้ทำบาปกันให้สนุกพอเวลาตายใกล้ตายนี้เรามาคิดแต่เรื่องทำบุญเพียงอย่างเดียวมันคิดไม่ได้สิมันเหมือนกับ รถที่มันวิ่งไปทิศ ท, ทางหนึ่งอยู่ดีๆจะให้มันยูเทิร์นกลับมาทันทีทันใดมันไม่มันไม่กลับมาหรอกต้องหยุดมันก่อนต้องหยุดแล้วถึงจะยูเทิร์นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะมาแต่งแต่งจิตของเราในวาระสุดท้ายในจิตสุดท้ายเนี่เป็นเรื่องปันคําถามที่มีคนถามเข้ามามากอยู่รี่เลยว่าจิตสุดท้ายเป็นยังไงเราเราสามารถ เปลี่ยนทิศทางของจิตเราจากการไปอบายให้ไปสู่สวรรค์ได้ไหรือไม่เรามาแต่งมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุญและบาปที่เราได้สะสมมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราถ้าเราทำบุญมาตลอดแล้วทำบาปน้อยกวได้น้อยกว่าทำบุญเนี่ยถ้าบุญมากกว่าบาปนี่ไม่ต้องแต่งถึงเวลาบุญมันก็จะเดินจิตไปสวรรค์ทนนี้ ชั้นต่างๆเองถ้าบาปมันมากกว่าบุญเนี่ยจะมาแต่งยังไงก็ไม่สามารถที่จะดึงให้บุญมันมากกว่าบาปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังที่จะมาแต่งกันจะจะผิดหวังเพอถึงเวลาใกล้าตายนี้มันไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดจะทําบุญที่จะคิดจะรักษาศีลที่จะคิดจะภาวนากัน ้นต้องมาทาตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงอย่างตอนนี้ตอนนี้มันเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราสามารถที่จะไปทำบุญทำทานกันได้ถ้าเรามีมีมีเงินมีทองมีฐานะพอเพียงที่จะทำบุญเราก็ทำได้ด้วยการใช้เงินใช้ทอง แต่การทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินใช้ทองเพียงอย่างเดียวการใช้เวลาการใช้ร่างกายของเรานี้ไปทำบุญทาทานก็ได้เราไปทำงานเป็นจิตอาสาไปทำงานให้ให้เกิดคุณประโยชน์กับผู้อื่นไปช่วยหลือคนนั้นคนนี้ไปไปทำกิจกรรมต่างๆอาสาสมัครเช่นไปช่วยหน่วยกู้ภยัย ไปช่วยทำอะไรสาธารณะประโยชน์ต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเป็นการทำความดีเพราะการทำบุญการทำความดีคือก็คือการสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเวลาที่เราทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่เรียกว่าเราได้ทำบุญกันแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำคุณทำประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว เราจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินมีทองถึงจะไปขึ้นรังวันคือการทำทานได้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีเวลาว่างเราก็ไปทำงานอาสาสมัครต่างๆได้หรือถ้าเรามีความรู้ ที่เราสามารถเอามาสอนให้ผู้อื่นเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์โดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันเรียกว่าวิทยาทานหรือถ้าเรามีธรรมะเราสามารถสอนธรรมะให้กับผู้อื่นได้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นธรรมะระดับสูงก็ตามถ้าเขาเอาธรรมะที่เราสอนนี้ไปช่วยดับความทุกข์ใจของเขาได้อันนี้ก็เป็นการ ให้ธรรมะธรรมทานแต่ต้องเป็นธรรมแท้นะธรรมที่ถูกต้องถ้าเขาเอาไปทมแล้วไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์มันก็ไม่เป็นบุญการท้ให้ธรรมะนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าเรามีธรรมะแท้หรือมีธรรมะปลอมธรรมะแท้ต้องเป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติคือธรรมะระดับขั้นโสดาบันขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นธรรมะแท้ แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมะที่แท้จริงเพราะยังไม่ได้รับการกัณกรองจากการปฏิบัติาการจะให้ธรรมะนี้ก็ต้องระวังหน่อยให้อย่างอื่นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของให้ความรู้หรือให้เวลาแก่ผู้อื่นทาคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการขึ้นรางวัลขั้นที่ขั้นแรกของรางวัลของพระพุทธศาสนานะถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็อาจจะเป็นเลขท้ายสองตัวสามตัวแล้วเลขหน้าสามตัวเป็นต้นคือรางวัลที่ได้มันยังไม่สูงมากแต่มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่จะทำเพราะสิ่งที่จะทำที่สูงกว่านี้มันยากขึ้นถ้าเราอยากจะได้รางวัลให้สูงขึ้นมากกว่านี้ เราก็ต้องขึ้นไปการปฏิบัติขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลนี่การรักษานิสสีนี้ ก, ก, นนก็จะทำให้เราป้องกันจิตของเราไม่ให้ตกลงไปในอบายการกระทำบาปนี้เป็นเหตุที่ดึงจิตให้เราลงต่ำสถานที่จิตไปเกิดเรียกว่าอบายจิตที่ทำบาป คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกโหกหลอกลวงเดืนดชรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนอะไรทํานองนี้ถึงแม้ว่าการเล่นการพนันการเดือดชราการเที่ยวกลางคืนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่มันเป็นการไปยืนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าของอบายเราถึงเรียกการกระทําเหล่านี้ว่าอบา ย, ยมุข ถ้าไปอยู่ใกล้ประตูแล้วเดี๋ยวโอกาสที่จะเข้าไปในอาบาลมันง่ายงั้นอย่าไปยืนอยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวใครชวนปุ๊บก็เข้าไปปั๊บเลยต้องไปอยู่ห่างไกลจากประตูของอาบายให้อยู่ห่างไกลจากอาบายมุกอย่าดื่นสุราอย่าเล่นการ์ดพนันอย่าเที่ยวกลางคืนเป็นต้นถ้าเราละเว้นการเสพอาบายมุกได้ โอกาสที่เราจะไปทำบาปมันก็ยากขึ้นแต่ก็ยังทำได้อยู่เราก็ต้องใช้ฮิิโอตปาเป็นเครื่อ ง, ะงนะครับต้องให้มีความอายในการกระทำบาปเพราะไม่มีใครอยากจะให้ใครรู้ว่าเวลาเราทำบาปเวลาเราโกหกใครนี้เราไม่อยากจะให้เขารู้ว่าเราโกหกเราเป็นคนโกหกเราเป็นคนโกหกลอกลวงเราเป็นคนชอบโกงไม่มีใครอยากจะให้ใครรู้ เพราะมีความอายถ้าเราอายเราก็จะไม่กล้าทำแล้วให้มีความกลัวของโทษของการทำบาปขณะมีชีวิตอยู่ก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกติดตารางก็ต้องหลบหนีหลบซ่อนอยู่แบบหลบๆไม่สามารถที่จะไปไหนไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย อย่างสบายใจมีความวิตกมีความกังวลว่าจะถุกจับเมื่อไหร่แล้วตายไปก็ต้องไปรับผลคือไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปนรกแต่ถ้าเรารักษาสีห้าได้ไม่เสพอบายมุกได้นี้เราจะปิดประตูอบายได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเรายังอาจจะมีความพังเพลอธทําไปบ้าง แต่ถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาปบาปที่เราทํามันก็ยังรอลงอาญาอยู่ยังไม่สามารถดึงใจให้ไปสู่อบายได้ถ้าบุญนี้กําลังมากกว่าถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาปเวลาตายไปบุญจะเป็นผู้ดึงใจเราให้ขึ้นสูงให้ขึ้นไปสู่ชั้นเทพเป็นเป็นเทวดาก่อนอันนี้คือการขึ้นรางวัลของ พระพุทธศาสนาขั้นต่อมาเป็นรางวัลที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นรางวัลที่ห้ารางวัลที่สี่เป็นต้นมีมีเงินรางวัลที่สูงขึ้นไปตามลำดับแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นรางวัลที่สูงกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแปได้ สิ่งแปนี้จะสนับสนุนให้เรามีเวลาได้ไปปฏิบัติขั้นที่สมได้คือขั้นภาวนาขั้นภาวนาขั้นที่หนึ่งก็ของขั้นที่หนึ่งของการภาวนาก็คือขั้นสมถภาวนาภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นสมถภาวนาและขั้นวิปัสนาภาวนาเราต้องไปที่ขั้นที่หนึ่งก่อน เพรก่อนจะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถ้าไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วไปขั้นที่สองก็ไปไปไม่ได้ไ ป, ไปก็ไปก็ไม่ได้ผลปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลต้องผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนแต่ก่อนจะไปปฏิบัติขั้นที่หนึ่งคือสมถภาวนาได้ก็ต้องมีเวลาต้องสามารถรักษาสิ่งแปดขึ้นไปให้ได้ เพราะสินแปนี้จะทําให้เราต้องตัดกิจกรรมต่างๆทางกามไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถ้าเรายังทํากิ จ, จกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะไปเจริญสมถะภาวนาได้นั่นเองเพราะการเจริญสมถะภาวนานี้ต้องใช้เวลามากต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยถึงจะได้ผลถึงจะได้ประโยชน์ ถ้าภาวนาเพียงแต่วันละครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี้ยังเหมือนนอกกระจอกกินน้ำอยู่ไม่ได้ผลมากจำเป็นจะต้องต้องปฏิบัติตลอดเวลาต้องมีปัจจัยที่เอื้อสนุนหลายอย่างอีกหนึ่งต้องมีเวลาที่ได้จากการละเว้นจากการทำกิจกรรมทางตาหูจมูกมิอกาย ผู้ถือศีลแปนี้ก็จะเปลี่ยนศีลข้อสามจากกาเมสุมิฉาจารามาเป็นอ布拉มจริยากาเมนี้หมายถึงว่าการร่วมหลับนอนกับผู้ครองของตนไม่ร่วมหลับนอนกับผู้และร่วมหลับนอนแต่เฉพาะเป็นคู่ครองของตนเป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นต้นแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้ก็จะถือบรามจัน คือการปฏิบัติพระมรรจันร์ก็คือการละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครต่ามเพื่อที่จะได้มีเวลาเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้มาใช้กับการเจริญสมถะภาวนานี้เองออจึงจําเป็นจะต้องถ้าต้องการจะภาวนาสมถะภาวนาจาเป็นที่จะต้องอมีการถือศีลแปดเป็นศีลข้อสาร จากกาเมมาเป็นอั ร, รมัจาริยาแล้วก็เพิ่มสีข้อหศสินข้อ6ก็คือไม่ให้เรารับประทานอาหารมากเกินไปเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปหนึ่งก็จะทำให้เสียเวลามิต้องเอาเวลามารับประทานอยู่เรื่อยๆสองจะทาให้เกิดอุปสรรคในการภาวนาได้เพราะถ้าทานมากๆ ก, ก็จะทําให้เกิดความเกลียดคา้านเกิดความง่วงนอน กินอีกมันก็อยากจะนอนกันการที่จะไปฝึกสมาธินั่งจเจริญสติเดินจงกรมก็จะไม่อยากทำเดินก็หาวนั่งก็หาวนี่เป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินต่อความจาเป็นของร่างกายร่างกายจริงๆนี้ต้องการอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอรับประทานอาหารเพียงเพียงวันละครั้งเดียวก็พอ พระพุทธเจ้าพระอารานทั้งหลาย น, นี่ท่านฉันมือเดียวกันท่านั้นไม่มีพระอารานพระพุทธเจ้าองค์ไหนฉันสองมือสามมือกันท่านไม่ท่านไม่มีความอยากที่จะฉันท่านฉันเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เท่านั้นเองดังั้นฉันเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้าเวลาเริ่มต้นฝึกขัดใหม่ก็อาจจะฉันสองครั้งก็ยังได้อยู่ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงวันไปหลังเที่ยงวันนี้จะต้องหยุดการรับประทานอาหารมีการรับประทานอาหารต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการรับประทานอาหารนี่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันนั่นเองมาปฏิบัติมาเจริญสมถะภาวนานี่คือหน้าที่ของสิงห์ข้อหกเพื่อป้องกันความง่วงเหงาหาลนอนเพื่อป้องกันความเกลียดค้าน แล้วก็จะเพื่อให้มีเวลากับการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็ให้เราละเว้นจากการที่เราจะไปาหาความสุขจากพวกบันเทิงต่างๆพวกบันเทิงพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าเรายังไปทำกิจกรรมเหล่า น, นี้อยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปเดินจยงกลมไปนั่งสมาธิกันนั่นเองเราจำเป็นที่จะต้องละการ การกระทําข้อที่7คือการหาความสุขจากการบันเทิงและหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าภร์ที่สวยงามด้วยการตกแต่งร่างกายด้วยน้ําหอมด้วยการใช้น้ํามันอะไรต่างๆอันนี้จะทําให้เสียเวลาจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมกัน จึงจาเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติสมถะภาวนานี้จําเป็นที่จะต้ององดกิจกรรมเหล่านี้ไปแล้วก็ข้อที่8ดก็คือให้หลับนอนไม่มากเกินไปให้หลับนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนวิธีที่จะหลับนอนไม่มากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงสําราญ จะไปนอนบนเตียงที่สุขที่สบายมากเกินไปเตียงใหญ่ๆมีพูกหนาๆเป็นต้นอันนี้จะทำให้นอนมากเกินไปเพราะว่าเวลานอนบนเตียงที่มีความสุขนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมานี้ใจยังไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันจะสบาย มันก็จะแสวงหาความสุขจากการหลับนอนต่อไปทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไปจึงต้องนอนบนบนเตียงที่ไม่สุขไม่สบายจนเกินไปคือบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งเป็นพื้นแข็งแข็งไม่มีฟูกไม่มีอะไรอาจจะปูเสือ่อปูผ้าบ้างก็ได้หรือนอนกับพื้นก็เลยก็ได้ถ้าถ้าเตียงมันไม่มี เดงไม่มีพื้นแข็งๆนอนก็นอนกับพื้นแทนเพื่อที่จะได้นอนไม่มากเพราะถ้านอนกับพื้นนี้ร่างกายพอพักผ่อนหลับนอนได้สี่ห้าชั่วโมงก็จะพอก็จะตื่นก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอพอตื่นขึ้นมาจิตก็ยัะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สุขมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมามาจเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมต่อไปได้นี่คือ หน้าที่ของศีลแปดหรือศีลที่สูงกว่านี้ศีลที่สูงกว่านี้ก็ไม่ต่างกันศีลส่วนใหญ่นี้ที่สูงกว่าศีลแปดนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการการการมาพืชเพื่อให้ความสวยงามของนักบวชนักบวชนี้ต้องทำตัวให้สวยงามให้เรียบร้อยทำอะไรก็ต้องเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีต่าง เพราะว่าเป็นนักบวชนี้เป็นผู้ที่ต้องอาศัยการให้ของผู้เป็นการดำรงชีพถ้าทำตนเองไม่เหมาะสมไม่สวยงามก็จะไม่ทำให้มีผู้มีศรัทธาอยากจะสนับสนุนจะไม่ให้ปัจจัยสี่ในการดำรงชีพแต่ถ้าทำตัวให้เรียบร้อยให้สวยงามด้วยกฎระเบียบต่างๆ ใครเห็นแล้วก็จะอดที่จะมีความศรัทธาเรื่องใส่ไม่ได้ก็จะมีความยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่นี่ก็คือเรื่องของศีลขั้นสูงสูงกว่าขั้นศีลห้าก็คือศีลแปดศีลสิบก็สําหรับสัมมาเนยนักบวชหรือแม่ชีที่ต้องการจะประพฤติหนุนกับสัมมาเนยหนุนถือศีลเท่ากับสัมมาเนยก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง คือข้อไม่แตะไม่ไม่แตะต้องเงินทองนักบวชนี้ถ้าบวชจริงถ้าเป็นนักบวชจริงๆไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองถ้ามีผู้สนับสนุนปัจจัยสี่พอเพียงก็ไม่มีเหตุที่จาเป็นจะต้องมีเงินมีทองเพราะการมีเงินมีทองนี้เป็นทั้งคุณและเป็นทั้งโทษมีเงินทองก็สามารถนามาไปซื้อปัจจัยสี่ที่จาเป็นได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถเอาไปซื้อ ความสุขทางตาหูจมูกลินกายได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเห็นโทษของการ ม, มีเงินทองเห็นว่าจะทําร้ายนักบวชทําลายนักบวชก็เลยจึงห้ามไม่ให้จับต้องเงินทองไม่ให้มีเงินทองเป็นของครอบครองไว้กับตัวเองแต่ถ้ามีความจําเป็นถ้ามีคนศรัทธาอยากจะให้ก็ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่เชื่อถือได้ให้ฝากไว้กับเขา แล้วเวลาขาดหรืออะไรในสิ่งที่จาเป็นก็ให้รู้สิกไปจัดหามาให้ได้แต่ไม่ให้ครอบครองเงินไว้กับตัวเองเพราะถ้ามันอยู่ใกล้มือแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้ง่าย <c oughs> แล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ไปในทางที่ไม่ที่ไม่ไม่ดีไปในทางที่เสียหายต่อการปฏิบัติได้อ <c oughs> ุทัชฌาาเลยต้องห้ามไม่ให้พระภิกษุนี้มีเงินทองเป็นของตัวเอง เงินทางที่ศรัทธาญาติโยมถวายมานี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินของพระภิกษุเป็นของญาติโยมฝากไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้ให้พระเวลาต้องการสิ่งที่ขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่หรือเรื่องของการทำคุณประโยชน์ให้กับศาสนาเช่นทำาูุบารุงพระพุทธศาสนา บางทีต้องมีการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆหรือมีการซ่อมบํารุงต่างๆก็เอาเงินที่ศรัทธาญาติโยมนี้ฝากไว้เอาไปทําประโยชน์ได้สําหรับพระเองนี้ควรจะใช้เพียงเวลาที่ขาดแคลนในปัจจัยสี่เท่านั้นเองถ้าไม่ขาดแคลนก็ไม่ต้องไปใช้มันเพราะเงินทองมันถ้าใช้แล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่มีมันจะเดือดร้อนได้ถ้าไม่มีเงินทองแล้ว พัดอยู่แบบตามมีตามเกิดได้ก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต่างๆนี่ก็คือศีลที่จะมาสนับสนุนการภาวนาเพราะว่าเมื่อไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเงินทองก็ดีไม่ต้องไปคอยหาเงินหาทองถ้ายังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็อาจจะต้องกังวลว่าเงินทองพอใช้หรือไม่พอใช้ อาจจะต้องกังวลว่าต้องไปรับกิจนิมนต์หรือไม่ต้องไปงานสวดนั่นสวดนี้หรือไม่เพราะนี่เป็นการวิธีหาเงินทองของพระเวลาพระรับกิจนิมนต์ไปญาติโยมก็ต้องถวายเงินทองให้เวลาพระไปสวดศพไปสวดอะไรก็ต้องถวายเงินทองให้ถ้าพระยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ก็อาจจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติจวต้องเอาเวลามาหาเงินหาทองกัน จากการไปรับงานบุญบางสังสวดต่างๆไปรับสังฆทานไปรับวสวจศพไปรับงานบุญนิมนต์ทางบ้านบุญวันเกิดบุญขึ้นบ้านใหม่บุญอะไรต่างๆเพราะงานเหล่านี้มันมีเงินทองติดมาด้วยญาติโยมนิยมที่จะทำบุญเพราะญาติโยมอยากจะได้บุญแต่ญาติโยมไม่รู้ว่าบุญนี้คืองานที่มอบให้กับพระนี้มันมี ทั้งคุณทั้งโทษอยู่ที่ผู้รับไปว่ามีรู้จักวิธีใช้เงินที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ผู้ใช้เองแทนที่จะมาสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติก็อาจจะไปดึงให้จิตใจตกต่ำเสื่อมลงได้นั่นนี่คือ <c oughs> สิ่งที่ พระพุทเจ้าทรงกังวลเลยทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุนักบวชนี้ครอบครองเงินทองมีเงินทองไว้ใช้เองตามอัธยาศัยให้ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้เพื่อเขาจะได้เป็นพยานด้วยว่ายาเเงินทองนี้ไปใช้ในทางไหนถ้าเก็บไว้เงียบๆคนเดียวนี้จะไปซื้ออะไรไปใช้อะไรนี้ไม่มีใครรู้ก็ได้นี่คือเรื่องของเงินทอง สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติอย่างเท่งขัดถ้าอยากจะบวชแล้วไม่ต้องมางกังวลเรื่องเงินเรื่องทองก็อย่าไปมีเงินมีทองเลยเอาหลักมากน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามาเกิดอยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะมีแล้วแต่ที่จะมีไปอยู่ไปเพื่อวันวันหนึ่งเพื่อเพื่อเอาเวลามาปฏิบัติมารับรางวัลทางพระพุทธศาสนา ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองหลายล้านหลายพันเท่านี่ก็คือ <c oughs> เรื่องของศีลของนักบวชเมื่อมีศีลเหล่านี้แล้วก็จะทำให้มีเวลาว่างให้กับการเจริญสมถะภาวนาการเจริญสมถะภาวนานี้เป้าหมายก็คือเพื่อทำให้ใจนิ่งสงบให้ใจหยุดคิดถ้าเป็นรถยนต์ก็ให้มันจอดอย่าให้มันวิ่ง พอเวลามันวิ่งแล้วมันก็จะเกิดมีปัญหาต่างๆได้วิ่งไปแล้วอาจจะแหกโค้งได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกับคนนั้นชนกับคนนี้ได้ถ้าทำให้จอดรถได้แล้วสบายไม่มีปัญหาอะไรตามมาจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจไม่นิ่งยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวก็ดึงให้ไปทานูน่ทนทานี่แล้วก็เกิดไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ไป จะทำให้จิตต้องวุ่นวายต้องมีปัญหาต่างๆมาคอยแก้อยู่เรื่อยๆไม่มีความสุข <c oughs> เวลาจิตไม่นิ่งนี้จิตไม่มีความสุข <c oughs> ถ้าทำจิตให้นิ่งจิตให้สงบได้แล้วจิตจะเย็นจิตจะสบายและจิตก็จะเป็นอุเบกขาด้วยอุเบกขาตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญต่อการปฏิบัติการรับรางวัล น, นี้จะจาเป็นจะต้องมีอุเบกขา <c oughs> เป็นเครื่องมือเพราะว่าสิ่งที่ จะต้องไปทำลายให้ได้เพื่อที่จะได้รางวัลก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนั่นเองหรือหรือสังโยชนิกิเลสบางทีก็มีหลายชื่อเป็นเรียกสังโยชน์นั่งเรียกตัณหามากเรียกอาสวะมากแต่มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่ทําให้ใจต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวิยนว่ายตายเกิด ถ้าต้องการที่จะทําให้ใจได้มีความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องไปละสังโยชนละกิเลสความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ด้วยการมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขานี่ถึงแม้จะรู้ว่าคิดเป็นกิเลสก็ยังบางทีก็ยังหยุดกิเลสไม่ได้ยังอยากทําอยู่ยังอยากโกรธอยู่แต่ถ้ามีอุเบกขาแนละ้วพอรู้ว่าเป็นกิเลส ถ้าทําแล้วจะทุกข์ไม่ทําดีกว่าก็ทําได้เพราะว่ามีอุเบกขาอุเบกขาก็คือครามนิ่งเฉยนั่นเองแล้วเกิดความโลภมาชวนให้ไปโลภก็ไม่ไปเกิดความโกรธมาชวนให้ไปโกรธก็ไม่ไปขั้นตอนนี้ต้องพยายามเจริญสติให้มากเพราะสตินี้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้จิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้วิธีเธจริญสติก็ต้องควบคุมไม่ให้คิด ให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่จะหยุดความคิดต่างๆเช่นใช้พุทธานุสติถ้าใช้พุทธานุสติก็ใช้ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกระลึกถึงคาว่าพุทโธพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนไ ม, ไม่ไม่ว่าเวลาไหนอย่าให้ใจปราศจากพุทโธเวลานั่งสมาธิก็พุทโธได้ต่อถ้ามีแต่พุทโธไม่มีความคิดตรงแต่ง เนั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีจจริญสติวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าใช้กายะกะตาสติใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติให้เราเลือกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ ว, ว่าร่างกายจะอยู่เอเรียบทใดก็ให้อยู่กับใจก็ต้องอยู่กับเอเรียบทนั้น ร่างกายยืนใจก็ต้องยืนไปกับร่างกายร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ใจก็ต้องอยู่กับการการเดินการยืนการนอนอย่าให้ใจไปที่เรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคต lens, ที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาร่างกายทําอะไรก็ทํากับร่างกาย น่่งกายอาบน้ำนั่งกายนั่งหน้าแปลงฝันก็อยู่กับการอาบน้ำนั่งหน้าแปลงฝันไปอันนี้เป็นการฝึกสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติเพื่อป้องกันไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิก็ให้มาเปลี่ยนจากการดูร่างกายมาดูลมหายใจเข้าออกแทนพอเวลานั่งสมาธินี้ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวแล้ว ก็เลยต้องมาใช้การดูลมหายใจแทนดูที่ปลายจมูกการดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเรียกว่าอานาปณ ะ, ะสติเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นที่ตั้งของสติที่เจริญสติให้สติให้เราเลือกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวก็รู้ตามความเป็นจริงลมหยมลมจะหยาบลมจะละเอียดก็รู้ตามความเป็นจริง ลมจะหายไปก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ตายรู้ว่ามันหยุดหายใจชั่วคราวหรือมันหายใจแบบแผ่วเบามากจนกระทั่งเราจับลมไม่ได้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องกลัวไม่ตายรับประกันได้ให้รู้ไปเฉยๆให้ดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่ดูที่ปลายจมูกต่อไปจนกระทั่งจิตมันก็จะสักพักนึงมันก็จะหลิงลงสู่ความสงบ นิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดทำงานความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆก็พักชั่วคราวแล้วจิตก็เย็นสบายมีอุบเบกขามีความสุขอยู่กับความว่างนี่คือสมาธิสมาธิาธาธใหม่ๆก็จะอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาแต่ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกมากขึ้นมากขึ้น ต่อไปเวลาสงบ ก, ก็จะสงบได้นานตั้งอยู่ได้นานก็พยายามฝึกแบบนี้ไปจนกระทั่งสามารถให้เข้าสมาธิได้ทีละเป็นชั่วโมงเลยให้สงบเป็นชั่วโมงให้ได้เวลาออกมาก็จะเจริญนสติต่อจนกว่าเราสามารถที่จะควบคุมจเจริญสติได้ทั้งขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิมาสามารถควบคุมใจให้อยู่ในอุเบกขาได้ตลอดเวลา ถ้าเราได้ขั้นนี้แล้วก็จิตก็พร้อมที่จะไปสู่ขั้นวิปัสนาต่อไปการวิปัสนาก็คือขั้นไปคอยทาลายกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทาลายความสงบของใจนั่นเองพอจากสมาธิมาจิตก็ต้องคิดตรุงแต่งแล้ว ถ, ถ้าสติเผลอปั๊บมันก็จะคิดไปทางกิเลสคิดไปทางความโลภความโกรธความหลงได้อันนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ใช้ปัญญาก็คือตายัก สอนใหเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความโลภต้องการนี้เป็นไตรลับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะกาลายเป็นความทุกข์พิจารณาจนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสต้องการนี้เป็นความทุกข์พอเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะหยุดหยุดความอยากหยุดความโลภในสิ่งต่างๆได้พอหยุดหมดได้กิเลสหมดก็กิเลสก็จะหมดไปจากใจ เมื่อกิเลสหมดไปจากใจความอยากหมดไปจากใจสังโยชน์หมดไปจากใจใจก็เข้าสู่นิพพานไปใจก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่ดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาเองและเมื่อกิเลสตัณหาได้รับการกำจัดด้วยสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพร้อมๆกันใจก็จะ ไม่มีกิเลสตัณหาดึงให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ไม่เมืมม่อไม่มาเกิดทุกข์ก็จะไม่มีต่อไปนี่แหละคือรางวัลขั้นสูงสุดจากทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้มีสิทธิ์ที่จะไปรับรางวัลกันได้อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะไปขึ้นรางวัลกันหรื อ, อยังเท่านั้นเอง ไม่ได้อยู่ที่ไข่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นทําหน้าที่ของท่านแล้วเอารางวัลมากองไว้ข้างหน้าเราแล้วนะอยือที่เราจะไปขึ้นหรือไม่ไปขึ้นเท่านั้นเอง น, นี้แหละคือสถานะภาพของพวกเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราเป็นเหมือนคนที่ได้ซื้อลอตเตอรี่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหมือนได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วพอได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับได้ถูกรางวัลพอได้ถูกรางวัลแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปขึ้นรางวัลกันนั่นเอง ถ้าเราไปขึ้นรางวัลแล้วเราก็จะได้รับรางวัลขั้นต่างๆขั้นสวรรค์ชั้นเทศขั้นสวรรค์ชั้นพครมขั้นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระสกิราคามพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระนาคามีพระอรหันและพระนิพพานตามลําดับไปแล้วเราจะปิ ด, ป, ดประตูบายได้อย่างมิชิดเราจะไม่ต้องกลับไปเกิดนาบายต่อไป นี่คือเรื่องของสถานภาพของพวกเราที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเววาหาปูราปาววปุรนติสาขลังเอวามวาอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปะิตังต um ุนหังทิปเมวะสนิจจตุสัพเพปเรนตุสังตปาจันโทปนะวะโ a ยธาณิโชติวะโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพะโควินาศสตุมาเตภวัตวันตาวายสุขีทิคายุโกภวะอาภีวาธนศีลิสนิจางุฏาปะจายโนจตารูธรมมวัฏานติอายุวันุสุขังภาละ ตอนลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราจะคุยกันตอบคําถามกันเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกก็จะต้องมีการกระทําอะไรต่างๆอีกงั้นถ้าอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดหรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 410ท่าน y o u t u b บ265ท่าน y o u t u ด e Dr.V ร100ท่านวิทยออนไลน์11ท่านครับเฮ u s e 5ท่านนากุติ119ท่านรวมทั้งหมด910ท่านครับระอาจารย์ ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีคำถามจากทางบ้านค่ะโยมเพิ่งเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อชำระจิตใจที่สกปรกให้สะอาดเราเกิดมาด้วยความเศร้าหมองของจิตใจเหมือนเรามีถ้วยจานที่สกปรกเราจึงต้องล้างทำความสะอาด หน้าที่ของเราคือชาระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสเพราะฉะนั้นที่เราทำเดิมๆนั้นเป็นการเดินตามทางของกิเลสเราจึงต้องฝืนปฏิวัติขึ้นมาด้วยการมีศีลมีสติมีปัญญาก็ชาระล้างจิตใจที่สกรปรกออกไปจิตใจก็เกิดความสะอาดขึ้นมายมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะเริ่มการกระทำทานอย่างถ้าเรายังมีกงนมีทองมีข้าวมีของอยู่ ถ้าเราหวงเราตเนีก็ น, นี่ก็เป็นก็กเกเรตเนี่ยหรือถ้าเราโลภอยากได้เงินทองมากขึ้นไปก็เป็นความจำเป็นอันนี้ก็เป็นกิเรสที่เราจะต้องคอยกำจัดด้วยการทำบุญทาทา น, นจากคุณนันทภัก ค, ค่ะ การนั่งสมาธิถือเป็นการเจริญสติผลลัพธ์ก็คือสมาธิเมื่อมีสมาธิต่อเนื่องจะเกิดอุเบกขาทั้งสมสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการเดินปัญญาแบบนี้หนูเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องปัญญาจะบอกว่านี่คือกิเลสถ้าทำแล้วจะเกิดความทุกข์ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็ฝืนกิเลสไม่ได้ กิเมันก็จะหลอกว่าอ๋ออย่างงู้นอย่างนี้เอาก่อนนะค่อยว่ากันทีหลังทุกมันอยากนานตอนนี้ขอให้ได้ก่อนขอซื้ออยากได้ซื้อก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังพอผ่อนแล้วก็ต้องทุกพอผ่อนไม่ได้ก็ทุกเขาก็มายึดของกลับคลืนไปอันนี้หลายกิเลสมันหลอกล่อเราถ้าเราไม่มีอุเบกขาใจเราจะสู้มันไม่ไหว แต่คุณวัดางค่ะการบริจาคเลือดบริจากร่างกายบริจาคอาวัยวะต่างๆผลบนเหมือนกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คือการบริจาคนี้ถ้าอยากจะได้ผลต้องทําตอนที่เรายังไม่ตายเช่นถ้าเราอยากจะบริจาคอาวัยวะนี่เราต้องบริจาคตอนที่เราไม่ตายเช่นบริจาคไตไปข้างตาไปข้างอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ไงเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไร แต่เวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาร่างกายนี้ไปทำอะไรบ้างตอนนั้นเราจะไม่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญต้องทำในขณะที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่ให้ให้เขาไปเช่นการบริจาคเลือดนี่ได้บุญเพราะว่าเรารู้เรารู้ว่าเราได้เสียของที่มีคุณประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ของคนอื่นทำแล้วทำให้เรามีความสุขใจดีใจมีความอิ่มใจ ที่ได้ช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะตายได้ถ้าขาดเลือดอย่างนี้นต้องทําในขณะที่เรารู้ถ้าเราสั่งเขาให้ทําตอนที่เราตายเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาทําตามที่เราสั่งหรือไม่มก็ไม่รู้ยังไม่มีจ้ะค่ะอาจารย์ยังไม่มีอะไรนะยัจะทําบุญนั้นจะให้อะไรนี่ต้องให้ตอนที่เป็นแม้แต่บดกทรัพย์สินก็เหมือนกันถ้าอยากจะบริจา ก็ต้องบริจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มีเงินก็อยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรืออยากจะสร้างวัดอะไรก็แล้วแต่อยากสร้างโรงพยาบาลอยากจะซื้อรถพยาบาลอะไรนี้ทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะได้เห็นเราจะได้รู้ว่าเราได้บริจากเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักที่เราหวงไปพอเราชนะความตณีได้ชนะความหวงได้ใจจะ เกิดความสุขขึ้นมาความตนหีความทุกข์ที่เกิดจากความตนหนีมันจะหายไปความสุขที่ได้จากการบอยจากมันจะเกิดขึ้นมาแต่ต้องทาตอนที่เรารู้ถ้าไม่รู้เช่นเขียนพินัยกรรมทิ้งไว้ว่าตายไปแล้วรอมอบเงินก้อนนี้ให้กับที่นั่นที่นี่ถึงแม้เขาจะได้รับแต่เราไม่รู้ว่าเขาได้รับจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรายังหวงอยู่แต่ยังไม่ยอมให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ ยาเทงถือว่าไม่ได้บุญต้องตัดความหวงให้ได้ถ้าอยากจะให้ก็ให้ไปเลยไปหวงไม่ทาไมไงไปต้องเก็บไว้ทำไมถ้าเก็บไว้ก็ยังหวงอยู่หวงอยู่มันก็ยังทำทานไม่ได้การทำทานก็เพื่ อ, อชนะความหวงความตานี้มีคาถามเข้ามาจากเฟ e บุ o กค่ะการให้อภัยที่แท้จริง โดยไม่มีสิ่งใดติดค้างเราควรทำอย่างไรจึงจะให้อภัยได้จริงๆเจ้าคะก็ต้องเห็นประโยชน์ที่ได้จากการให้อภัยเพราะถ้าให้อภัยได้ใจเราจะเย็นถ้าเราให้อภัยไม่ได้ใจเราจะร้อนแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่คนที่เราให้อภัยแต่เราเนี่แหละเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่าบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับอาคาตพยาบาทเครียดแค้นแต่เพราะ ยกโทษให้ก็ได้ช่างหัว่ามันเถิดมันทําไปแล้วจะอะไรกันนักหนาพอให้อภัยได้ใจเย็นนอนหลับครอกเลยนัย่นต้องมองเห็นว่าผู้ที่รับประโยชน์ที่แท้จริงคือเราเนะี่ยแหละผู้ที่ให้ให้อภัยใจจะได้เย็นใจได้ใจจะได้สงบได้ถ้าไม่ให้อภัยยาวชนะให้ได้มันแค้นมันเครียดมันนอนไม่หลับ้จะไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกด้วย พอเราไปทำลายเขาล้างแค้นเขาเขาก็เขาก็าาาจะมาโกรธเราเทีนี้เขาจะมาอาฆาตพยาบาทเราการมาล้างแค้นเราเองเดี๋ยวก็ฟันต่อฟันตาต่อตาในที่สนะุดก็ฆ่ากันตายไปคนละข้างตายกันไปคนละข้างคนที่อยู่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือหนีโทษนั้นมีแต่มีแต่ความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นแต่การให้อภัยนี่ มีแต่ประโยชน์คนที่เราให้อาภายัยก็สบายใจเออโล่ง อ, อกโล่งใจไม่มีเวรมีกรรมกันเราก็สบายใจนอนตาหลับจากคุณธีรวัตรค่ะเห็นจิตกับผู้รู้คนละตัวกันผมควรดูจิตต่อหรือว่าต้องทำอย่างไรกราบขอคำชี้แนะด้วยครับคือให้มีสติคอยควบคุมความคิดถ้ามันคิดก็ต้องหยุดคิดนี่คือหลักของการปฏิบัติ ก็ให้หยุดคิดเพราะถ้าจิตคิดแล้วเดี๋ยวมันเข้าไปคิดเรื่องที่ทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ต้องการเครียดต้องการความสงบความสบายก็อย่าไปคิดอะไรอันนี้คือหลักของการปฏิบัติคําถขาดหมดแล้วจ้าดูจิตก็ดูกิเลสเป็นตัวหลักด้วยถ้าโลกความโลภเกิดขึ้นมาก็ต้องระงับมันอย่าไปทําตามมันความโกรธเกิดขึ้นมาก็ต้องอย่าไปทําตามมัน ความโกรธก็ใช้การให้อภัยโกรธใครก็ให้อภัยเขาให้อภัยแล้วเราก็หายโกรธความโลภก็คิดถึงความไม่เที่ยงโลภมาแล้วตายไปเอาไปได้หรือเปล่าอยากได้เงินมาเป็นอย่างร่ำรวยมีเงินกองเท่าภูเขามีสมบัติมากมายแล้วตายไปเอาไปได้หรือเปล่าไม่ได้อยู่ก็เป็นภาระต้องคอยมาคอยเฝ้าดูแลรักษาแทนที่จะเป็นความสุขมันเป็นความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว วิธีกาจัดความโลภวิธีการจัดความโกรธก็ต้องให้อภัยวิธีกาจัดความลงก็ต้องดูว่าทุกอย่างมั น, มนไม่เป็นของเราแลเป็นของชั่วคราวได้อะไรมาแล้ววันดีคืนดีก็ต้องเสียมันไปเวลาเสียก็เศร้าโศกเสียใจนี่คือวิธีดูจิตนะดูกิเลสกำจัดกิเลสจิตมันกิเลสมันอยู่ในจิตมนะันไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่บางทีเราไปคิดว่าเขา คนนั้นคนนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้เราเครียดควาจริงไม่ใช่เขาเหรอกเป็นเราต่างหากเป็นกิเลสของเราที่ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเองจากคุณสมนึกค่ะการเจริญภาวนาจะวางจิตยอย่างไรให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่ะก็ต้องเปรียบเทียบนะดูของที่ไม่ใช่เป็นตัวเราดูต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวเราเรืเปล่า มันไม่เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราแล้วดูร่างกายของเราว่ามันเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าความจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของพ่อแม่พ่อแม่สร้างขึ้นมาไม่ใช่เรเราเป็นเพียงแต่ดวงวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็เป็นผู้สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเดี๋ยวพอร่างกายตายไปเราก็แยกจากร่างกายไป ก็พิจารณาแบบนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้เพราะมันทํามาจากดินน้ําลมไฟเหมือนกันร่างกายก็ต้องมีดินมีน้ำํำมีลมมีไฟถึงจะมีร่างกายนี้ขึ้นมาได้คําถามต่อไปค่ะคําว่าคนดีเทวดาคุ้มครองมีจริงไหมคะกับสาธุค่ะก็ตามหลักของบทแผ่เมตตานี้ท่านก็นสแสดงอ น, นิสงส์ของการแผ่เมตตาว่า ผู้ที่มีเมตตามากๆนี่ต้องเมตตามากๆนะไม่ใช่เมตตาแค่นิดเดียวจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาเทวดาไม่ไปคุ้มครองรักษาคนไม่ดีหรอกเทวดาก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหล ะ, ละพวกเราก็อยากจะสนับสนุนคนดีคนไม่ดีเราก็ไม่อยากจะไปสนับสนุนด้วยงั้นเวลาเราทาความดีนี้จะเป็นที่รักของทั้งคนและทั้งเทวดา จะมีเทวดาและคนน่มาคอยอารักขาคอยคอยปกป้องปกคลุมกันเราจากคุณจิรพัฒนค่ะกับเรียนถามท่านอาจารย์ครับการบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่เรามีชีวิตถ้าเราตายไปจะได้รับบุญบ้างไหมครับเพราะปัจจุบันมีโรคเยอะครับก็อย่างที่บอกถ้าตายไปไม่รู้เขาเอาร่างกายเราไปทำอะไรต้องทาตอนที่เรายังรู้สึกตัวอยู่ เรื่งการบริจาคร่างกายนี้มันทําไม่ได้เพราะเราต้องต้องใช้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปบริจาคได้ก็เอาวายวะบางส่วนเช่นผมก็ได้นี่บางคนเขาก็บริจาคผมผม ย, ยาแล้วเขาโกนแล้วก็ไปให้คนที่เขาไปทําวิคให้กับคนที่เขาเป็นนกมะเร็งที่เวลาเขาฉายแสงแล้วศีรษะล้นเขาก็เอาผมที่เราบริจาคนี้ไปทําวิคให้เขาสวมใส่ ฟรีไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องซื้อพาวิกมันก็มีราคาคนที่ยากจนคนที่ไม่มีฐานะก็าอาจจะไม่มีเงินซื้อได้ก็เราก็บริจาคผมไปหรือบริจาคอย่างอื่นเลือดนี่เราก็บริจาคเลือดได้ทุกสามเดือนเราก็บริจาคเลือดครั้งหนึงอะไรเหล่านี้อย่างนี้เราก็จะได้บุญ จากคุณพัชรินค่ะเวลานั่งบริกรรมพุโทโธแล้วจิตส่งออกนอกบ่อยลูกก็เลยใช้วิธีลุกไปเดินพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาแทนวิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกหรือไม่เจ้าคะถ้าทำใจให้หายฟุ้งซ่านได้ก็ถูกถ้าใจมันฟุ้งซ่านแล้วมันไม่อยู่กับพุโทโธก็ลองพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูก็ได้จนกล่าวมันจะหายฟุง้งซ่านก็ใช้ได้เหมือนกัน คำถามต่อไปค่ะกับเรียนถามเรื่องความตายค่ะอย่างใดเรียกว่าตายดีอย่างไรเรียกว่าตายไม่ดีเห็นคนบางคนตายเพราะอุบัติเหตุทันทีบางคนทรมานนานกว่าจะตายเช่นนี้เรียกว่าตายดีหรือตายชั่วเจ้าคะไม่ใช่หรอกตายดีหรือตายชั่วอยู่ที่ตายแล้วมีบุญมากกว่าบาปหรือเปล่าถ้าดวงวิญญาณดวงจิตใจมีบุญมากกว่าบาปก็จะไปสวรรค์ล้วตายดี ถ้าดวงวิญญาณหรือจิตใจมีบาปมากกว่าบุญก็เรียกว่าตายตายไม่ดีไปสู่ทุกขติต้องดูจุดหมายปลายทางของเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนถ้าเราไปสู่สุขตินี่เรียกว่าไปดีถ้าเราไปทุกขติไปอาบายไปเกิดเป็นเลราฉานเป็นเปรนี่เรียกว่าไปไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าตายแบบไหนตายด้วยบัติเหตุเครื่องบินตกน้ำํำรดคว่ามจมน้ําตาย หรือถูกเขาฆ่าตายแทงตายยิงตายการตายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่ชี้บอกว่าเราไปดีหรือไม่ดีตัวที่จะชี้บอกก็คือบุญบาปที่เราได้ทําไว้ในจิตใจของเรานี้เป็นตัวที่จะชี้บอกพระเจ้าถึงสอนให้รีบทําบุญกันให้รีบละบาปกันถ้าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าไม่รีบทาเสียปล่อยให้ไปทําแต่บาปบุญไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวตายไปถึงแม้จะตายอย่างดีนอนตายนอนสงบ แต่ก็ไปไม่ดีเพราะใจมันมีบาปมากกว่าบุญพาไปยหมดได้แลนะ้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ต้องเกรงใจนะเ้็เามาถามได้ถ้าไม่มีก็จะพูดต่อนิดนึงเรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหล ะ, ะเป็นตัวที่จะกำหนด ช, ชะตาชีวิตของเราในอนาคตกำหนดความสุขความทุกข์ในตัวเรา ทำบุญแล้วถึงแม้เราจะไม่ร่ำรวยแต่ใจเรามีความสุขมากกว่าเศรษฐีก็ได้เศรษฐีถึงแม้จะมีกันมากแต่เศรษฐีกลับมาเครียดกับเงินทองที่ตนเองมีอยู่มาหวงเงินทองมาห่วงเงินทองแต่คนทำบุญนี้ไม่ค่อยหวงเงินทองเลยไม่ค่อยหวงเงินทองอะไรอยู่ยังมีความสุขแต่คนที่ไม่ได้ทำบุญนี้จะมีความเครียดมีความทุกข์มีความวิตกกังวล เพราะมีความหวงมีความยุดติดมีความตนิและมีความโลภอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆยันต้องดูที่ใจเราเป็นหลนักนะการทําบุญทําบาปนี้ผลมันเกิดที่ใจเราทําบุญแล้วใจเราจะเย็นจะสงบจะสบายมีความอิ่มทําบาปแล้วใจมันจะทุกข์จะร้อนจะมีความหิวโหวยให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่สิ่งที่เราจะได้ เช่นทำบุญแล้วเราควรจะรวยขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะทำบุญแล้วเราจะใหญ่ขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้นนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นผลของบุญผลของบุญที่แท้จริงก็คือความสุขใจสบายใจและตายไปก็ได้ไปสู่สุคเตกันมีคำถามจากคุณเลอซาบค่ะ กับเดินถามพระอาจารย์ทําภาวนาพุโทโธแล้วเหมือนไม่พัฒนาใจยังไม่สงบทํามาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับควรทําไปเรื่อยๆหรือควรเปลี่ยนวิธีภาวนาบ้างครับทําน้อยไปต้องทําทั้งวันทั้งคืนลองทําำคนทั้งวันทั้งคืนอยู่ทั้งวันไม่ทําอะไรเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวไปอยู่ที่วัดเงียบๆไปขอพระอยู่สังวันสองวัน แล้วไปเดินจนกลมนั่งสมาธิทำมากๆแล้วรับประกันได้ว่าจะเห็นผลทันทีเลยหมดแล้วเหรอมีจากคุณทีรวัติอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะกับนรัสการหลวงพ่อครับมีวิธีที่จะนั่งสมาธิให้นานขึ้นแบบทางรัดไหมครับขอคำแนะนำด้วยครับก็เวลานั่งแล้วมันอยากจะลุกก็อย่าลุกเิแล้วก็พุทโธต่อไป พยายามฝืนบังคับมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็นั่งต่อไปได้แต่ถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่ความอยากจะลุกมันจะมันจะดังใจเราให้ลุกขึ้นมาเพราะมันจะทรมานใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากลุกได้มันก็นั่งต่อไปได้ต้องขยันพุทโธต้องฝึกพุทโธอยู่เรื่อยๆหมันแล้วเหะอหมดแล้วก็เอาท่านี้ก่อนนะ ก็ขอให้ท่านโยงนำเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิด